ต, ตั้งตายนงจนั้งหลายันนี้เป็นวันพระวันสินใหญนน่วันนี้นี้ปฏิโมกษ์ <c oughs> วันปฏิโมกษ์เป็นวันที่พระสององพระเจ้าทบทวนสิ่งหน <c oughs> ึ่งเราเหมือนกันเก็มาทบทวน ดูตัวเราคือต้องการให้ตัวจากตัวเองมากขึ้นจะระมัดระวังต้องการรู้จักตัวเองหมายความว่าให้ตัวเรารู้จักตัวเรามากขึ้นซึ่งปัจจุบันเราคิดว่าเรารู้จักตัวเรา เราจะตัดออกคําว่ารู้ตัวเราเอาแค่สองอยางสองคำสองพยางคือต้องการให้รู้ตัวส่ตัวเราตัวเขามันเครัองเหมือนกันมาสมมตินนเองทำไมเราเมื่อคําว่ารู้ตัว แต่นี้หมายถึงรู้ตัวเราเองแต่ละคนนี่คือรู้ตัวซึ่งปัจจุบันเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ตัวสุดท้ายก็เป็นธาตุเป็นธาตุทางหูธาตุทางตาธาตุทา ง, ทา ง, ทางปากจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จากสาเหตุอันใดก็แล้วแต่สุดท้ายกิริยาการแสดงออกแก่ น, ก น, นี้มันก็ทบกัน ทั้งหมดที่ผ่านมามันกระทบกันแล้วเกิด ผ, สสผสสลักปะผลักปะเรืสิ่งที่ตามมามันคือเวทนาการสุขอารมณ์มจะเป็นสุขเวทนาทุกขะเวทนาหรือ ว, ว่าเฉยๆก็ตามก็ชื่อว่าเวทนาอันนีเมือ่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเราไม่รู้ มันจึงเป็นเรื่องสำคัญจึงเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไม่รู้ตัวมันก็จะแสดงออกโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติทันทีเรื่องปเพณิปกติเรียกว่าสัญชาตญาณโดยสิ่งนี้ถ้าเราไม่ควบคุมเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มีทางใดที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้น นั้นเบื้องต้นตั้งใจบอกให้รู้ตัวรู้มากรู้น้อยรู้ทั่วคือทั่วตัวเร็วเท่าไหร่เป็นการดีเท่านั้นดังั้นฝึกให้เรารู้ตัวฝึกให้รู้ตัวอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆจากรู้ตัวสุดท้ายมันจะเลือแต่ตัวรู้ เพรนั้นการรู้ตัวกับตัวรู้มันคนละเรื่องกันเอาง่ายๆแค่รู้ตัวเรายังทำไม่ห้อยได้เมื่อเราไม่รู้ตัวมันก็จะเพลิดพลินปังเผย อ, อยู่เสมอนะความกพผิดเพลินปังเผยคือความพยาณาของชีวิตสุดท้ายของมันคือความเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนใจทำไมตึงเดือด รอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเดือดมันจริงร้อนแล้วก็ใจใช3อย่างพระนเรศชัยธรรมวิจยะคือพิจรารณาสอบสองตรึกตรองอยู่เสมอเราจะเข้าใจแต่ละประโยควา่าเลยคําแต่ละคํา ม, มันชัดเจนชัดต้อยชัดคําแต่ว่าเนื่องจากการรู้ตัวคือสติเนี่ยเราไม่ชัด เราจึางไม่เข้าใจในเสียงตอนนี้ถ้าเราเข้าใจสักครั้งสครั้งสาครั้ ง, งมันจะเข้าใจตลอดเหมือนกับร้อนใจเดือดร้อนใจทำไมข่าวร้อนเดือด น, น, น้ำนึงน้าน้ำปกติมันไม่ไร้อนทำไมน้ำถึงร้อนว่ามันถูกเผาจากน้ำเย็นธรรมดากลายเป็นน้ำร้อน ต้งแชกออกน้ำก็คือน้ำร้อนก็คือร้อนแต่สองอย่างรวมกันน้ำร้อนเหมือนกันใจร้อนเอนันราจริงจรงร้อนใจพอใจร้อนก็มันถูกเผาเหมือนกันใจปกติมันไม่ไร้อนมันถูกเผาเหมือนกับน้ำใจมันเลยร้อนที่มันร้อนก็เพราะว่า มันชัดเจนครับว่าร้อนกันตร ง, งกับเย็นเย็นก็คือดับก็ร้อนไม่ดับไม่หาวิธีดับหรือไม่รู้จักวิธีดับร้อนในใจให้นึกถึงน้ํารรมะปะัญญาการสอนสองการพิจารณาเทียบเคียงธรรมะอย่างนี้ในทุกเรื่องเราจะเข้าใจวิธีหาวิธีดับ อย่างนี้เล้ววิธีการดับทุกข์ในชีวิตประจาวันเพราะอย่างนั้นไม่มีทางใดเลยมันว่าว่าพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติเรื่องคิดดูอย่างนี้เป็นประจำในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีอยู่ในใจมันเกี่ยวความทุกข์ร้อนอยู่ในใจเหม่มความทุกข์ร้อนมันทุกข์มันถึงร้อนอยู่ในใจโดยที่เราไม่เคยดับมัน มันก็รอ้อนมันก็ร้อนอยู่ในใจแต่เมื่อมันร้อนออกมาแล้วก็บนนะ่นไม่สบายใจไม่ถามว่าสบายใจเพราะอะไร น, นี่คือพระพุทธเจ้าท่านบอกเวลาสอ น, นอริยสัจสีก็โดยหลักการอันนี้นี่คือหลักการที่ตายตัวนะวิธีดับทุกของพุทธกชี้แล้ว เพราะนั้นเบื้องต้นก็คือทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่เดิมเนื่องจากเราไม่รู้ตัวเราเองคือสติมันไม่พร้อมไม่สมบูรณ์กลับมาห่งโอปนัญโกเอาสติกลับมาหาตัวเองให้มันรู้ตัวว่าเรากําลังคิดกําลังพูดกําลังทําอะไรนี่คือความหมายคำว่ารู้ ตัวเมื่อเรารู้จักคืออยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับความคิดคำพูดและก็การกระทําอยู่เสมอรู้ว่าคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีซึ่งเราเท่านั้นที่เรารู้คนอื่นไม่รู้ความคิดของเราเราคิดอะไรเราพูดอะไรคนอื่น ร, รู้เราทําอะไรคนอื่นก็นรู้แต่คิดนั้นไม่มีใครรู้รัจัดการ ให้ปัจจเราคิดเราพูดเราทำอะไรให้มีสติกำกับเรียกว่ารู้ตัวเพราะนั้นเพื่อให้มันง่ายในการเอาสติอยู่กับตัวหรือผูกมัดตัวให้อยู่กับตัวเราควรจวเอา น, นามของสิ่งที่เราเคารพสูงสุดคือพระพุทธธรรมประสงค์เดี๋ยวเรัจนัดใจเอามาไว้ไกล นึกอย่ยังไงก็ได้บางต้นนั้นนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเหลือแต่พุทโธอย่างเดียววันนี้เป็นการฝึกให้รู้ตัวจากรู้ตัวจากที่มันอยู่กับความคิดเขาพูการกระทํามันฟุ้งซ่านก็จะ ก, กระจายบางค่อยๆใจเราก็จะค่อยหยุดก็คืออยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยวิธีใดก็แล้วแต่เรียกว่เพ่ง เอาว่าเพ่งเรื่องตึกถึงชาญกับอันใดอันหนึ่งให้ใจมันรวมให้มันรวมมากที่สุดถ้าเราไม่รู้ตัวไม่มีทางใจเรียกว่าภาษาง่ายใจมันสงบว mm ู่จใจไปสงบใจมันรู้ตัวแล้วสุดท้ายเป้าหมายของการรู้ตัวคือเพื่อให้เกิดตัวรู้ ทุกวันเราจะไปคิดเราไม่ตัวรู้ถ้าตัวรู้เกิดขึ้นแล้วมันจะรู้จักคิดอะไรตัวรู้มันจะรู้พูดอะไรตัวรู้มันก็จะรู้ทําอะไรตัวรู้เนะี่ยมันก็จะรู้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นว่ารู้ตัวสุดท้ายคือตัวรู้ตัวรู้นี่แหละคือพุทโธที่แท้จริงโดยไม่ต้องกําหนดโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องบริกรรมรั้งใจมันลง แล้วมันเกิดขึ้นมาคืออยู่กับตัวรู้เมื่อตัวรู้เกิดขึ้นแล้วมันชัดเจนว่าตัวรู้เกิดขึ้นแล้วพิจารณาว่าอะไรมันเกิดอะไรมันดับอะไรมันกระทบแล้วมันก็จะดับเหมือนใจมันร้อนน้ำมันเดือดมันก็จะรู้รู้จักวิธีแก้ของมันเองฉะนั้นเราเห็นน้ำเดือดเราก็หาสาเหตุของมัน ทำไมนะ้ำมันต้งเดือดก็เราไปต้มมันก็เราไปเผามันอยาไปต้อมอ ย, อ, อย่าไปเผาไปยาไปเติมเชื้อจะไปเติมแก๊สยาไปเติมฟืนมันก็จะดับโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติชา้าหรือเร็วอยู่ที่เชื้อมากน้อยแค่ไหนแต่มันดับแน่นอนในโลกนี้สรรพสิ่งทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีเลย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องดับอาศัยประโยควลีความหมายนี้โอปนัิโกน้อมก็อาต เ, เหมือนกันอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันที่ว่าจะสุขจะทุกขพอใจไม่พอใจก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องดับแต่เร็วหรือช้า อยู่ที่ตัวเราแต่ละคนอย่าไปโทษปัจจัยอื่นๆถ้าเรามาัเคยฝึกแน่นอนมันเกิดขึ้นมันก็ทำลายตัวเรามันก็จะไม่ดับง่ายๆที่ไม่ดับเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหรือเราจะกอดความทุกข์อันนั้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อยกอดความสุขอั น, นั้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเอาแเราจะไปโทษใคราะเราไปกอดไว้เราไม่เคยปล่อยถ้าปล่อยตามธรร ม, า ม, า ม, มาชาติ เหมือนกับลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นธรรมชาติหรอมันไม่เจริดร้อนอ่ะทีนี้เราลมบคกขับหายใจเข้าหายใจสั้นหายใจยาวบักขับอย่างนี้เอาเจริญร้อนละเรี็วทุกข์ขัละคือไม่สบายงั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็มันเกิดเองเป็นเองตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าใจของเราให้ปล่ อ, ม อ, อ, อยมันเป็นธรมนนนธรมชาติ อย่าไปเอาสิ่งแปลกปลอมเรียว่าอารมณ์ที่มันรับมาแปลกปลอมแล้วเรามายึดมายือมาเกาะเอาไวนะ้นี่คือเชือ้อนี่คือไฟทำให้ใจเราร้อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่านี่คือเชือ้อที่ทำให้ใจเราร้อนก็อย่าไปเติมอย่าไปเติมเชือ้ออย่าไปเติมฟืนอย่าไปเติมไฟเดี๋ยวมันก็ดับ ไปโดยอัตโนมัติของมันแล้วถ้าเมื่อไหร่มีฟืนเมื่อไรมีเชือ่อมันก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาใจใเราเหมือนกันถ้าคอยสังเกตสังการดูว่าตอนนี้มันเชื่ออะไรจะาทำใจมันร้อนเชื่อนั้นก็ได้แก่ความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงแต่ถ้าเป็นฝ่ายบรรพชิตฝ่ายนักบทฝ่ายนักปฏิบัติท่านตัดออกความโลภท่านเอาเริ่มต้นด้วยราคะ โทสะมหะนี่คือเชือ้อนี่คือฟืนนี่คือไฟชั้นยอดที่เผามวลมนุษย์ให้ร้ร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้ว่าเออเราดกรนกองไหนก็ค่อย้พิจารณาเรื่องกอนั้นมาจากอะไรอันนี้ทําให้เรารู้ตัวเนะมื่อเราตัวเกิดตัวรู้ก็มาอมเป็นอย่างนี้เองนี่ซีนามาก็จะดับทันทีนะีมันมืด ตรู้คพุโธเกิดขึ้นในอาการมันเป็นอย่างนี้มันกระทบปัป๊บเนี่ยมันจิตมันจะกําหนดรู้ว่าอันนี้มันมาจากอันนี้อันนี้อันนี้ดูมันก็จะดับนะเคยเปลี่ยนเทียบให้ ฟ, ฟังโดยสเสมอเหมือนเราเห็นหน้าเตาคนมนุษย์ทุกันแตเราเห็นแล้วเรารู้จกักเออคนนี้ชื่อ น, นี้อยู่ที่มันก็จะจบตาทีถ้าเห็นแล้วก็ไม่รู้เห็นเป็นคนเหมือนกันผู้หญิงเปมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ไม่รู้ชื่ออะไรรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงรู้แต่ว่าเป็นผู้ชายแล้วเกิดจะสัญญา ลักษณะอย่างนี้กานยังเรียกว่าอวิชารู้เห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้จักโดยแท้จริง น, นี่คืออวิชาที่เราทำให้ตัวเรารู้เพื่อเกิดเป็นรู้ตัวเพื่อทำลายอวิชาตัวนี้นะอวิชาตัวนี้ถ้ามันห้อหุมอจิตใจของมนุษของบคนใดก็ตามมันจะเกิดความมืดความบอดมองไม่เห็นอะไรเลย ตาดีดีกลายเป็นตาบอดใจดีดกลายเป็นใจบอดเพราะนั้นะถ้าตาบอดก็เราต้องถึงคนตาบอดสภาพเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงนั่นแหละใจบอดเหมือนกันคล้ายคลยกันถ้าใจเราบอดแล้วเหมือนกันเราจะไปทางไหนจะทําอะไรลําบากไปหมดนะเวรานั้นเมื่อตาเราดีก็ใจเราดีตาเปิดใจก็ต้องให้มันเปิดนะ ถ้าจะให้ใจดีใจเปิดใจเปิคนนั้นต้องรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อฝึกให้เกิดตัวรู้ตัวนี้ให้ได้นั้นการปฏิบัติธรรมของเราจริงๆมันไม่มีมากมายอะไรส่วนคือการยืนการเดินการนั่งหรือนอนอะไรแล้วแต่เย่เยบทนั้นเพื่อเปลี่ยนไม่ให้มันทุกมากจนเกินไปจนร่างกายมันรับไม่ได้ใจมันรับไม่ได้นั่งนานๆมันรับไม่ได้ยืนนานๆรับไม่ได้เดินนานๆรับไม่ได้ มันเกิดเวทนาอย่างกล้านะเวทนาอย่างกล้า ท, ทั้งหลายความตายที่มาเยือนมนุษย์เพราะเวทนาสุดท้ายมันจะทนเวทนาไม่ได้เอาง่ายๆเราเร า, เราเคยดูข่าวอ่านข่าวทั้งหลายแหละโดนอาวุธมีดอาวุธปืนยิงเข้าไปสุดท้ายมันเจ็บมันปวดนั่นคือเวทนานะสุดท้ายมันทนเวทนาไม่ไหว คือมันใจมันรับไม่ไหวทนว่าร่างกายอยู่ไม่ได้มันตายปะทนเวทนาไม่ไหวที่เราถูกยิงตายถูกแทงตายมันรับไม่ไหวใจเราเหมือนกันถึงแม้ไม่โดนยิงไม่โดนแทงแต่โดนกิเลสราคะโทสะโมหะมันยิงมันแทงมันทุกตลอดเวลาเวทนามันทนไม่ไหวมันรับอะไรพรรัสง่ารเปลี่ยนอริยบทนะครับเพื่อเปลี่ยนเพื่อให้ใจของเรานั้นี่งอย่างน้อยบอกเออมันไม่ ทุกมา ก, กเกินไปมันก็มีสุขอยู่บ้างใจมันก็เริ่มเรียกว่าตะล่อมใจสอนใจแต่ถ้าเราทําได้ไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งด้วยยังไงมันก็ทําได้ประโยชไหนก็ทํำได้นั่งอยูอ่เฉยก็ทําได้ mm hmm. แต่ว่าต้องให้มันเกิดมันขึ้นมันเป็นมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นคือต้องการให้ใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือใจเราเกิดใากการรู้ตัวก็วเกิดตัวรู้แค่นี้เอง ถ้าชีวิตเรามีอย่างนี้ในชีวิตประจำวันชีวิตบุนณะการชืร่อว่าเป็นชีวิตที่ถูกต้องตามต้นอนนกันจะไม่เดือดจะไม่ร้อนใจกับสิ่ง ใ, ใดเลยตรงนี้มากระทบมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตัวรู้ขึ้นมาออมันไปจะดับแต่จำให้มันมีเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของคนของมนุษย์เป็นอย่างนี้แต่ว่ามีแล้วใครจะดับมันได้ อยู่ที่ตัวเราแต่ละคนฝึกมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองถ้าเราฝึกน้อยเราก็สูุมไม่ได้คือรู้เท่าทันมันไม่ได้แต่เราฝึกมากมาๆเราปร้ทานเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านฝึกมนเยอะท่านรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เหมือนเรารู้เท่าทันเด็กเพราะเราฝึกมาก่อนที่เรารู้ท่านเนก็เพราะเราเป็นเด็กมาก่อนก่อนที่เป็นผู้ใหญ่ เราเคยทําอย่างนั้น เ, เคยอย่างนั้ น, เ, น, น, นเป็นอย่างนั้นมา ก, ก่อนเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นเป็นเ ย, ย่างนนพูดอย่างนั้นเียอะไรจะเป็นอย่างนั้นเรารู้เท่าทานันนี่คือการสติเราจะรู้เท่าทันอย่างนี้ยิ่งกล้าแข็งมากขึ้นเท่าไรสมบูรณ์มากเท่าไดมั น, นมก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั<ม>้นสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์คนที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์มีจิตพระอรหันตานั้ น, น, นจะสมบูรณ์ ส่วนเป็นต่ําๆเราเรามาก็ยังมีอยู่แต่ธรรมาที่จะค่มได้รู้ตัวได้แต่ก็ยังมีแต่สมบูรณ์ที่สุดคือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไม่โทษกันมาว่าเราทั้งหลายยังไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอริยะมันก็นมีความเปลี่าดพลั้งเปิดบ้านเป็นธรร ม, มาดาอย่าไปเอาเป็นประเด็นป เ, เป็นเรื่องใหญ่เพราะางั้นมันจะจุ่งยากชีวิตมันก็วุ่นวายถ้าเรารู้อย่างนี้เออมันธรรมดา เพราะคนยังมีกิเลสอยู่จะเอาอะไรเป็นตัวอย่างจะเอาอะไรเป็นตำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาคนที่มีกิเลสเป็นตัวอย่างให้เอาพระอริยะพระรลานเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าจิตมันฝึกคิดอย่างนี้เสมอมันจะไม่มป็นเดือดร้อนเลยเดี๋ยวคนนั้นเป็นนี้คน น, คนนู้นเป็นอ้าวคนนั้นมันยังมีกิเลสอยู่จะเอาเป็นตัวอย่างได้ยังงเอาเป็นเรื่องใหญ่โตได้ยังไงเนี่ยตอนนี้คิดอย่างนี้คิดไม่เป็นหละก็คือมันไม่ไดับ คิดแล้วไม่ดับนี่ลำบากเั็นไหมมันเกิดแล้วมันไม่ดับพูดยังไงเพะนั้นทุกอย่างมันเกิดแลมันต้องดับอย่างนี้เป็นต้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเช้าเย็นเช้าเย็นวันกับคืนอย่างนี้คู่กันอย่างนี้ตลอดเวลาเฉะนั้นฝึกใจให้พวกเราทั้งหลายให้มีอารมณ์เป็นอย่างนี้ในชีวิตประจําวันเราก็จะชื่อว่ารู้จักการเกิดรู้จักการดับเร็วขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์ ในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติของผู้เราในชีวิตประจําวันการปฏิบัติการเจริญสติสติมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนสุดท้รู้เท่าทันจากรู้ตัวการเป็นตัวรู้ตัวรู้เมื่อตัวรู้เกิดขึ้นแล้วสบายทุกอย่างมันก็เกิดเกิดระดับเกิดดับเกิดระดับอย่างนี้นตลอดเวลาอันนี้คือสารธรรมที่ฝากผู้เราต้องหลายสาหรับเช้าวันพระวันนี้เพื่อ เป็นนสติคือ ร, รึกตามสิ่งนั้นี้เมื่อรึกตามแล้วรู้ตามแล้วก็รู้ตัวจนเกิดตัวรู้อยู่ในชีวิตจริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแท้จริงวันนี้ก็ขอฝากตารมะสำหรับชา ว, วันนี้เอาไว้เพียงตา น, นี้